277สำ ม, มาทิถี่แล้วก็ยังต้องสำ ม, มาปฏิบัติถูกต้องแท้จริงเพราะความรู้ทางประมาธิที่เป็นโรคุตระนั้นไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เป็นอาการลิงคะนิมิตอุเทศ ที่ต้องเรียนรู้โดยมีการสัมผัสทั้งภายนอกและภายในก็จะได้ศึกษาความเป็นรูปกายอันศึกษาจากรูป28และจากนามกายอันศึกษาจากจิต 89-121 ถึงและเจตสิก52ิเป็นต้น แต่เพราะในวงการาศาสนาพุทธทุกวันนี้เมสัมมาธิฏฐิที่ต้องรู้มาเป็นทิฏฐิเป็นปริยัตเสียก่อนก็ยังไม่เคยได้ยินไม่เคยมีใครสอนจึงทำใจในใจไม่เป็นก็ทำใจในใจของตนให้เกิดเป็นกิเลสโลกให้แก่ตนเต็มที่ โลภมากมายอย่างหาประมาณไม่ได้อับประมาณซัมมิหนำอาจารย์ยังสอนให้ทำใจโลภตั้งจิตอยากครวอยากได้ให้แก่ใจตนเองเสียหอีบผู้นี้ก็ไม่มีแม้เจตนาที่สัมมาทิฏฐิจึงไม่เริ่มต้นเป็นบุญเลยแม้แค่การทำทานทั้งหลายที่ทำกัน ดังนั้นผู้สัมมาทิฏฐิจึงทำได้แม้ภายนอกก็ทำแล้วไม่เอาสิ่งแลกเปลี่ยนจริงจริงเป็นอันพ้นภายนอกกามาวจรพ้นโอรํมพายเคียสังโยตส่วนภายในใจก็กำลังพยายามอย่างเป็นสัมมาวายามะอยู่ตามที่มีสัมมาทิฏฐิมาแล้ว 2. ถ้าเรามีการทำใจในใจมนสิการของเราให้บริสุทธิ์สะอาดครบทั้งภายนอกและภายในต้องมีสัมผัสภายนอกอยู่ด้วยนะจึงจะสัมผัสวิโมกข์ด้วยกายให้จิตใจไม่มีอาการที่บำเรรสราคะเป็นเราได้เสพรสอัสาทะ ทั้งขั้นรูปราคะและอรูปราคะก็ไม่ละบำเรอเราเองว่าเราดีเราเก่งมานะเป็นตัวเองอัตตาแม้ที่สุดส่วนละเอียดขั้นอรูปแห่งธุลีละองที่เหลืออีกอุดทัดจะ ก, ก็ไม่เหลือที่สุดยังเหลือเศษแห่งความไม่รู้แจ้งแทงรอบสุด จบสบูญอวิชชาก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วได้สำเร็จบริบูรณ์จริงก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในจึงเกิดธรรมะสองที่สามารถทำให้เป็นธรรมหนึ่งพระหุทาปิหุตวาเอโกโหติในขั้นตอนต้นด้วยการทำให้อย่างลงได้ ทเวทวธรรมาทเวเยนะเวทนายะเอกะสโมสรณาพวันติอย่างรู้รู้เห็นเห็นอยู่หลัดหลัดในปัจจุบันนั้นชาณะโตปั ส, สโตวิหรารติอย่างจริงใจจริงกายไม่มีอะไรแฝงเลยจริงๆ จึงเป็นความสามารถทำใจในใจมณสิกโรติได้บริสุทธิ์ก็เป็นความสะอาดหมดจดด้วยมิจฉาชีพบริบูรณ์ทั้งนอกและในยิ่งเราขยันหมั่นเพียรทำงานคุ้มและเกินมีค่าตามสัจจะที่แท้จริงเราก็ยิ่งเป็นผู้มีคุณค่ามากสูงยิ่ง ตามค่าอันควร น, น, นั้นเป็นสัจจะ